พระเจ้าได้เคยบอกไว้แล้วว่าจะได้นาคำเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจาร์โตมาลงติดต่อกันไปโดยลำดับตั้งแต่กันที่หนึ่งซึ่งกันแรกนั้นก็ได้นำลงในฉบับเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนแล้วส่วนที่นำลงในฉบับนี้เป็นเทศนากันที่สองซึ่งได้คัดลอกออกมาจากเทปที่บันทึกเอาไว้สาหรับการ น, นี้หลวงพ่อสมเด็จได้เทศนาในวันมาคาบูชาปีพุทธศักราช2506 ลีลาของการเทศนาของท่านในครั้งนี้รู้สึกไพเราะมากผู้ที่มีโอกาสได้ฟังในวันนั้นไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวที่จะสงสัยว่าไม่ใช่คำเทศนาของหลุงพ่อสมเด็จถึงแม้ในขณะ น, นี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่าผู้ที่มีความเชื่อในเรื่องของโอปปปาติกะอยู่บ้างมเมื่อได้มาฟังจากเทปที่บันทึกเอาไว้ก็จะต้องเกิด ความเลื่อมใสและแน่ใจว่าเป็นเทสนาของท่านจริงข้อเท็จจริงต่างๆเท่าที่บันทึกเอาไว้สำหรับผู้ที่ใกล้ชิดกับข้าพเจ้าทุกคนมีความเชื่อมั่นว่าทางสำนักแห่งนี้ได้ติดต่อกับหลวงพ่อได้จริงคำเทสนาหรือคำแนะนำอันใดก็ตามที่ได้มาด้วยการเข้าทรงนี้เป็นคำพูดที่ออกมาจากตัวท่านทั้งหมด ไม่มีแม้แต่คำเดียวที่ออกมาจากจิตใจของผู้ที่เป็นคนทรงทั้งนี้ก็เพราะคุณสีเพนจัตุทัศสีซึ่งเป็นคนทรงนั้นสามารถเข้าสมาธิได้ถึงขั้นหลับในสมาธิซึ่งอันนี้เราพิสูจน์ได้และยิ่งกว่านั้นยังสามารถที่จะเข้าสมาธิไปติดต่อโดยสามารถเห็นรูปร่างและสนทนานกับโอปปาติกะทั้งหลายที่มาติดต่อได้อีกด้วยเพราะฉะนั้น ปัญหาในเรื่องนี้จึงไม่มีแต่ก็เป็นของธรรมดาสำหรับผู้ที่ไม่ได้เห็นเหตุการณ์นี้อย่างใกล้ชิดและไม่มีพื้นความรู้ในทางหลักวิชาก็ย่อมจะต้องสงสัยไม่แน่ใจและบางคนก็อาจจะไม่เชื่อเลยปัญหาข้อนี้ข้าพเจ้ารู้ดีเพราะฉะนั้นจึงได้พยายามที่จะพิสูจน์ในเรื่องนี้ออกมาหลา ย, ลายวิธีทั้งนี้ก็เพื่อวัตถุประสงค์อันยิ่งใหญ่ คือต้องการให้คนทั้งหลายยอมรับความจริงที่ว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตและชีวิตของพวกโอปปปาติกะทั้งหลายนั้นในเมื่อเราได้ศึกษาจากหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ประกอบกับได้เห็นข้อเท็จจริงแล้วก็จะทำให้เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าตัวเราเป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณของเรา และจากวิบาสของกรรมต่างๆที่เราได้สะสมเอาไว้จริงจุดนี้แหละคือแสงสว่างที่จะนำโลกไปสู่สันติและถ้าเทียบกับในศาสนาอื่นที่เชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องวิญญาณและเรื่องกฎของกรรมดังที่กล่าวมาอย่างแจ่มแจ้งก็คือผู้ที่เห็นพระเจ้าและเป็นการเห็น ด้วยตัวของตัวเองอย่างปราศจากข้อสงสัยใดๆเรื่องนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากแต่สําหรับคนที่ยังไม่ตื่นและยังหลับอยู่ด้วยความงมงง่ายในเรื่องวัตถุนั้นเขาจะไม่รู้สึกถึงความสำคัญอันนี้เลยมันเหมือนกับคนซึ่งอยู่ในที่มืดมองไม่เห็นอะไรแต่เขาคิดว่าเขามองเห็นทั้งที่สิ่งที่เขามองเห็นนั้นไม่ใช่ความจริงเป็นสิ่งที่เขานึกฝันไปเอง คนที่เชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้าตามหลักของศาสนาอื่นก็ดีคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณและจากวิบากของตัวเองตามหลักพระพุทธศาสนา ก, ก็ดีซึ่งถ้าความเชื่ออันนี้เป็นไปอย่างสนิทและเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วย่อมจะเป็นบุคคลที่มีความหวังอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะอยู่ในถ้ากลางอันตรายอย่างร้ายแรงหรือกาลังเผชิญหน้าอยู่กับความตายก็ตาม หรือแม้จะได้รับการกดขี่อย่างทารุณจากฝ่ายศัตรูคนประเภทนี้ก็ไม่สิ้นหวังเพราะเขาจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ตายและใครๆจะทำให้เขาตายไม่ได้ความเดือดร้อนหรือความทุกข์ทรมานใดๆที่กำลังได้รับอยู่เมื่อพูดในสำนวนของคริสตศาสนาก็คือการทดลองของพระผู้เป็นเจ้า หรือการหล่อหลอมวิญญาณของเราให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อที่จะได้มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายตลอดไปแต่เมื่อพูดในสำนวนของพระพุทธศาสนาก็คือผู้ที่ขึ้นจากฝั่งได้แล้วหลังจากที่ได้ท่องเที่ยวเวียน่ายอยู่แต่ในทะเลแห่งความทุกข์มานับชาติไม่ทวนและขอได้โปรโดเข้าใจไว้ด้วยว่า คนที่มีจิตใจดังที่กล่าวมานี้เท่านั้นที่จะสามารถทำการกู้ชาติปราบยุคเข็นทำลายล้างอธรรมให้หมดสิ้นไปได้ข้าพเจ้ามีความรู้สึกซาบซึ้งในสัจธรรมดังที่กล่าวมาเพราะฉะนั้นจึงได้พยายามทุ่มเทเรี่ยวแรงและสติปัญญาทุกอย่างเพื่อที่จะนำแสงสว่างอันที่ข้าพเจ้ามองเห็น และได้รับอยู่นี้มาให้แก่มวลมนุษย์ความพยายามของข้าพเจ้าในเรื่องนี้จะไม่มีวันหมดสิ้นไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ในเมื่ออุปสรรคมีมากทั้งที่ไม่ควรจะมีดังที่ข้าพเจ้าได้แถลงไว้ในเรื่องค้อยแถลงฉบับนี้นั้นไม่ใช่หมายถึงความเคียดแค้นหรือความน้อยใจแต่หากเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าเหตุการณ์ต่างๆกาลังท้าทายข้าพเจ้า ให้ข้าพเจ้าต้องใช้ความมานะพยายามใช้เรียวแรงให้มากกว่าที่มีอยู่ซึ่งขณะนี้ข้าพเจ้าก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่าข้าพเจ้ายังขี้เกียจอยู่และยังไม่ได้ใช้สติปัญญาให้เต็มขนาดซึ่งข้อความที่พูดนี้คนอื่นจะคิดอย่างไรก็ตามข้าพเจ้าไม่สนใจเพราะข้าพเจ้ารู้ดีว่าทุกคำพูดที่ออกมาคือความจริงใจทั้งสิ้น เทศนากันที่สองเรื่องมาคะบูชาของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตสแสดงวันมาคะบูชาที่แปดกุมภาพันธ์พุทธศักราช2506นะโมตัสสะ พะระค w o r t อรหะโตสัมมาสัมพุทธสะะัตนะโมตัสสะพะระควโต t h อรหโตสัมมาสัมพุทธสัตนะโมตัสสะพระควโต t h อรหะโตสัมมาสัมพุทธะะ ส, ะะสัตขอท่านสาธุชนจงตั้งจิตสดับพระธรรมเทศนา วันนั้นเป็นวันเพนเดือนสามเวลาบ่ายภายในพระเวรุวนารามร่มครึมแห่งเงาของพฤุษชาติที่ยืนต้นกรมแดดฝนอยู่ชั่วนาตาปีกอไผ่แตกใบอ่อนพุ่มสวยัยฝูงกระรอกกระแตวิ่งไล่กวดกันอยู่ขวักขว่โดยไม่ได้เกรงอันตรายใดๆเหมือนกับมันจะรู้ว่าในเขตนี้เป็นที่ปลอดภัยสาหรับเนื้อนกนาน า, นาชนิดในไม่ช้า เวรุวนารามก็แน่นขนาดไปด้วยภิกษุผู้สำเร็จอรหัตตะผลและเป็นเอหิภิกขุดวงตะวันบ่ายคล้อยทอแสงจับจีวรเหลืองอารามสดใสเรืองรองอยู่ทั่วเวรุวนารามพุทธสาวก 1,250 รูปมุ่งตรงสู่พุทธสํานักโดยไม่ได้นัดหมายเป็นที่น่าอาัศจรรย์ยิ่งนักวันนั้น พระบรมศาสดาผู้เป็นบรมครูและเป็นนาถะของโลกได้ส่งประกาศก่อตั้งศาสนาและสรุปคำสอนของพระองค์ว่าจงเว้นสิ่งที่เป็นความชั่วมันตั้งใจทำแต่คุณความดีและทำจิตใจเราเองให้ผ่องใสและตรัสวิธีการปฏิบัติเพื่อบรรุถึงธรรมนั้นว่า ความอดกลั้นทนทานเป็นธรรมเผากิเลสอย่างยิ่งและการตัดกิเลสเป็นธรรมอันยอดเยี่ยมวันนี้มาคะาเริกได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ไม่มีพระบรมศาสดาคงมีแต่พระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์ซึ่งเป็นตัวแทนอันล้ำค่า ขอทุกคนจงระลึกถึงพระคุณของพระองค์พระาศาสดาซึ่งได้ให้คำสั่งสอนให้พระธรรมอันล้าเลิศซึ่งเป็นประดุจอุทกวารีซึ่งหลั่งไหลลงมาจากฟากฟ้าอย่างความฉ่ำชื่นให้แก่มวลสัตว์และพฤกษชาติทั้งมวลพระธรรมเป็นประดุจประทีปชัชวานดวงมหฮมาที่จะส่องสว่างทำลายความมืดให้อันตรธานหายไปสิน้นดังนั้น อาตมาจึงจะขอเพียงแต่ให้คำสั่งสอนซึ่งพระองค์ได้ตรัสสอนไว้แก่ท่านทั้งหลายฮิริโอตัปปะสัมปนาสุขธรรมะสมาหิตาสันโตส ป, ปุริสาโลเกเ ท, ทวธรรมมาติวุจเรบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยฮิริและโอตัปปะ ซึ่งหมายความว่าเป็นบุคคลซึ่งมีความอายและมีความกลัวต่อบาปตั้งม่นอยู่ในกุศ ล, ลธรรมเป็นคนสงบเป็นสัตบุรุษนักปราด ท, ทั้งหลายย่อมกล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้มีเทวธรรมในโลกกันหังธรรมมังวิปาหายะสุปกังภาเวทะปันดิตโตบันดิตย่อมละธรรมดำเจริญธรรมขาว ที่อาตมาพูดก็กินเวลานานพอสมควรจึงขอเอวังแต่เพียงเท่านี้